พระธรรมเทศนาแผนที่108ดลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่5กันยายน2560มีชื่อเรื่องว่าพระใหม่ใจอย่าเพิ่งออกวรรศาวันนี้ก็เป็นวันที่ห้า กันญายนพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันเทศ ก, การบุญทำบุญฉลา ก, กภพัดทางอีสานอะอันนี้เราไม่เกี่ยวหรอกมีแต่เกี่ยวแตพวกญาติโยมก็าําแต่เราน่ะเป็นผู้รับเป็นเป็นผู้อยู่ภายใน แต่วันนี้ก็เป็นวันอุโบสถนะพวกเราก็ได้ลงอุโบสถจบลงสักครู่นี่ขณะนี้ก็เที่ยงบ่ายโม่เพิ่งจบลงปพิโมกของเราพระวันนี้ก็สี่สิบเจ็ดรูปเนาะพระส <47. S 1> ี่สิบสี่เนาะพระสี่สิบเจ็ดรูปเนาะพระสี่สิบเจ็ดรูปรูป หลงโมสดวันนี้นะแต่เมื่อวานผมเองก็จะแจ้งข่าวให้กับพวกเราทุกๆท่านนะคณะส่งได้รับทราบร่วมกันเป็นจิตจัลกษณะเรื่องพวกเราได้จะถุกปัจจัยปัจจัยสี่ที่ได้มาโดยธรรมได้มาโดยความบริสุทธ์โดยธรรมผมเองในฐานะเป็นหัวหน้าก็พยายาม เก็บและใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ในวัดแต่เมื่อใช้ไปแล้วก็ต้องบอกได้บอกกล่าวให้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านได้รับรู้รับทราบร่วมกันอย่างที่ผูงพ่อได้รับว่าจะสร้างพระเจดีย์องค์หลวงต า, างที่ได้รับได้พูดมาแต่เมื่อวานที่เราจะรับเป็นผ้ากระถิ่นแปดหมสี่พันกอง เมื่อวานะผมก็ได้อวดนนะพระนี้พระลูกหลานทุกองนะให้รับบูรับสาบนโมทนาเป็นปัจจัยของวัดนะไม่ใช่ปัจจัยของผมนะถ้าผมอยู่องค์เดียวเขาคงถวายเวลาถวายเขาคงจะไม่ถวายมากอันนี้ผมอยู่กับหมู่กับเพื่อนเปนพระมากเขาก็ถวายแต่ก็ไม่ได้จําเพาะเจาะจงนะก็ถอยวัดเขาไวใช้ในวัดกระน้ํ า, าข่าวไฟข่าวองอาหารพระ เจ็บไข่ใดป่วยรวมมากก็ไม่ถวายหลวงพ่อนะถวายหลวงพ่อก็เถอะนะผมเองผมก็เ็กไม่ได้คิดว่าเป็นของผมเพราะมันเป็นของวัดให้เกิดประโยชน์ในพระพุทธศาสนาแล้วก่อนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ให้คณะกรรมการโอนถวายเงินกะถินหลวงหลวงตานะครบนะนะครบครบพันกองแลวนะ ประเนลูกลานพันกองก็เท่ากับสามล้านสมลา้านบาทที่ได้ตั้งใจเอาไว้และก็พร้อมกันก็ได้โอนถวายปัจจัยไปทาง เ, าเมืองโคโลราโดที่ถวายเขาเปิดบัญชีลูกจิตลูกหาเขาเปิดบัญชีไว้ที่วัดจังหวัดอุดรที่จะทำไปสร้าง ศาลาที่วัดโคโลโราโดเมื่อวานพวกก็ได้โอนนั่นแหละกันได้มอบให้หลวงพ่อสุตธรรมหลวงพ่อจำรัดรรนั่นแหะให้แต่ละผู้รับทราบเนี่ยนะพวกเราก็เป็นปัจจัยของวัดเหมือนกันนี่กันสองแสนนะโอนไปเมื่อวานเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะอันนี้ก็แจ้งข่าวบอกกล่าว ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายไดรับรู้รับท ร, รบาบอันนี้คือปัจจัยที่เกิดมาในวัดของเราเมื่อใช้จ่ายไปแล้วก็ได้บอกได้กล่าวว่าจะใช้ไปอะไรบ้างที่มันจะเป็นประโยชน์อันนี้ก็คือปัจจัยสแต่เราบวชมาไม่ได้บวชมาเพื่อปัจจัยสี่หนะ้ปัจจัยสี่เป็นเครื่องอาศัยปัจจัยเครื่องอาศัยของบรณชิตเรียกนิสัย มีท4อย่างเที่ยวบินธบัติหึงรุ่งค่มภาพบางสกุลหนึ่ ง, ง, ง, งอยู่โคลนต้นไม้หนึ่งฉันยาดองด้วยน้ํำมูดเน่าหนึ่งอันนี้เรียกว่าปัจใจสี่อาศัยเป็นเครื่องอาศัยนี่แหละอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งเป็นคล้ายคล้ยคยายสว่าเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนให้พวกเราได้รับเร่รับความสะดวกสบาย ในการประพุทิปฏิบัติพรหมวจันทร์เราก็ไม่ได้ถือว่าอันนั้นคือเป็นเนื้อเป็นหนัง เ, เป็นชิ้นเป็นอันสําหรับเป็น เ, เป็นความประสงค์แลว้วก็เป็นเรื่องของเราที่จะต้องส ะ, สะแสวงหาจุดนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นการส ะ, สะแสวงหาของเราเนี่ยคือ เ, อเราส ะ, สะแสวงหาทางโพธิ์ทุก นพ้นทุกข์ในวัะสงสารไม่ว่างไม่เวียนไห้มาเวียนไห้ตายเกิดศึกษาในตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพระอาสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเรานะท่านสอนอย่างไรพวกเราก็ได้ศึกษาในจุดนี้อย่างมากทีเดียวผมเองเก็แนะนำส่งสั่งสอนบอกกล่าวพี่แต่พว ก, พวกเรานะจะเอาไ้ยจะสู้ไหม จะปฏิบัติตนอย่างไรในขณะที่เข้ามาบวชมันเป็นหน้าที่ของพวกเราเท่านั้นเองที่ไหนธรรมะคำสอนท่านบอกอยู่แล้วแต่พวกเราเท่านั้นจะปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเต็มความสามารถตามศรัทธาของพวกเราเ น, น้นนะให้อกตั้งใจนะัวนจะออก่ก็ได้สองเดือนพอดีพอดีนะวันนี้นะ วันนี้ได้สองเดือนพอดีแล้วก็พร้อมกันกระบอกกล่าวกันนะเรื่องกระทินถ้าไม่มีอะไรก็เนะี่ยวันที่สิบห้านะตุกลาถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนตะ่ให้เตรียมเตรียมเอาไว้นะถามมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรไมันก็เดือนเดียวท่านะเดือนสุดท้ายเดือนเดียวแต่ี้เรา ก็เตรียมไว้ประมาณวันที่สิบห้าเนี่ยนะเป็นวันกรถินพวกเราองค์ไหนที่เคยสวดยังไงก็ท่องกันไว้แต่นันเนินประมาณจะใกล้จะออกพรรษาจะค่อยมาซ้อมกันแล้วขอผู้ที่จะออกพรรษาขอือนกันอีกเดือนหนึ่งจะประวรณาถนะถ้าหากว่าผู้ที่ท่องหนังสือได้เร็วก็ไม่มีปัญหาท่องวันสองวันก็ได้แต่ถ้าหากว่าผู้ที่ ท่องหนังสือลำบากความจําไม่ค่อยได้ความจไม่ค่อยดีเราก็ต้องฝึกไปเต้นๆอยจากนี้ลหละค่อยฝึกไปถึกสอบสืบสอบถามดูคำปรวรณาเป็นยังไงนี่แหละถ้าเราเตรียมไว้เต้นๆมันจะไม่ขับขัดนะม่จะไม่ลำบากใจมันจะไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าว่าใกล้ๆเข้ามาแล้วยัง มาสอนมาบอกมากล่าวมาสอนกันผู้ที่สอนอก็เสียความรู้สึกผู้ที่ถูกสอนก็เสียความรู้สึกนเะพราะหะไรเพราะมันใกล้เพราะนั้นให้พวกเราเตรียมไว้เต็มนนเนินๆอย่างนี้ก็นั่งอย่างเดือนเดือนหนึ่งพอดีพอดีแนะจากนี้ไปนะเข้าพรรษามาสองเดือนแล้วสองเดือนเต็มวันนี้นะ วันเดือนสิบแผ่วันเดือนสิบ เ, เอ็ด เ, เป็นวันออกพรรษาพอออกพรรษาเสร็จแล้วก่เดือนหนึ่งใช้เวลาเดือนหนึ่งเป็นวันกรถิ่นกรถินใช้เวลาเดือนหนึ่งกรเรื่องกรถินเราก็ไม่ได้หนักกกหนักใจเรามันพลาดมาผลาดมาเกยแล้วเออเอาเท่าไปคือหน้าที่นะหน้าที่เราเป็นพระอ หน้าที่ของพระหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละคนเกิดมาในโลกนะมันก็มีหลายหอย่างหน้าที่ภายนอกแต่หน้าที่ภายในนี้พูดไปยังไงยังไงมันก็ไม่พ้นที่เรื่องจิตเรื่องใจเรื่องจะหาทางพ้นทุกภาวนาเนี่ยนะเรื่องนี้สำคัญนะอยู่ในสถานที่ใดให้มีสติรู้ตนเองตลอดมองตนเองให้เห็นตนเอง อย่าลืมอย่าหลงตัวเองชีวิตของข้าเนี่ยจะไปยังไงข้าเนี่ยต้องประกอบคุณงามความดีต้องสั่งสมบุญกุศลอย่างสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราต้องคิดกันกรองไตรตรองอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีคิดทําพูดแต่สิ่งที่ดีอันนี้ผมย้าแล้วย้าอกีกสำหรับหมู่พเพื่อนทุกองนะแล้วก็จากนั้นกับ มีแต่พวกเราปฏิบัติถึงหรือไว้ฮะจุดนั้นเป็นจุดที่พวกเราจะต้องคานวณทบทวนแต่การได้ยินได้ฟังแล้วผมเองผมก็ไม่ได้หนักผมก็ไม่ได้คิดว่าผมหย่อนในการแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวผมอยู่กับครูบาอาจารย์คนนี้ได้ยินได้ฟังอย่างนี้แหละจากนั้นก็แนะนำให้ฟังว่าธรรมเทศนาของหลวงตาบางัง ของหลวงปู่ร่าบ้างนั่งสือธรรมะเอาไปศึกษาเอาไปอ่านเนอะาพวกเราไปอ่านไปศึกษาแล้วมีความคล่องใจตรงไหนก็มาถามถ้าถามหมูไม่ได้นะมาถามผมผมก็จะชี้แจงบอกกล่าวให้ฟังจากนั้นขอประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญจิตตภาวนาของใครของเรา อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้นำเนินมาสองเดือนนี่แหละนะแล้วก็อีกหนึ่งเดือนเป็นเดือนจุดท้ายนะแต่เดือนจุดท้ายเนะี่ยโดยมากพระใหม่ติดใจถอไม่ค่อยสู้นะอยังไงก็ตามนะพยายามภาวนาไปเรื่อยๆให้ตลอดลอดฟังพอเราจะถือโอกาสอย่างนี้หาจะยากนะลูกหลานนะพระเนนนะพระนะ ที่จะอยู่อย่างนหาได้ยากเมื่อเป็นไปเป็นเมื่อเป็นไปเมื่อเป็นไปเป็นฆราวาสท่นหมดโอกาสในขณะที่ยังอยู่เป็นพระเนี่ยมีโอกาสพระนั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรื่องสมาธิเนี่ยสำคัญฝึกขัดอยู่ตามลำพังอยู่พูดน้อยอยู่ชั้นไปการการอยู่การชั้นการ คบค้าสมาคมการอยู่กับหมู่กับเพื่อนให้ระวียงระวังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนั่นแหละนะต่อนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมตผมไม่พูดอะไรมากกว่านะี้